ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่56มาคุยกันต่อในเรื่องความสุขที่นี้ความสุขว่าถึงหลักการทั่วไปแล้วทีนี้ก็มาดูเรื่องความสุขที่จะมีได้ตามหลักการของพุทธศาสนาเป็นประเภทเป็นระดับสอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์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 เป็นเรื่องของสิ่งธรรมดาสามัญมนุษย์เกิดมาก็หนึ่งคือมนุษย์เราในชีวิตของเรานี่ทั้งชีวิตเริ่มตั้งแต่ร่างกายมันก็เป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งเกิดมาตามกฎธรรมดาก็ธรรมชาติอยู่ร่วมกับธรรมชาติตั้งแต่มนุษย์ยังไม่ได้เจริญยังไม่ได้สร้างสารรค์อารยธรรมเวลานั้นก็จะเห็นชัดเจนเกิดมาก็อยู่ท่ามกลาง สิ่งแวดล้อมก็คือธรรมชาติทั้งมนุษย์ด้วยกันทั้งสิงสาราสัตว์ต้นไม้ภูเขาน้ําสายลมแสงแดดดินน้ําลมไฟอะไรเนี่ยนะนะนะก็อยู่กันไปชีวิตของเขานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอันนี้ที่มนุษย์มีชีวิตอยู่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินี้ความสุขความทุกข์ของเขาส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องธรรมชาติก็ อยู่ในธรรมชาติมันก็แต่งธรรมชาติที่รื่นลมสบายอากาศที่เกื้อกูลนะีบางทีก็เปลี่ยนไปไม่เกื้อกูลบางทีก็ร้อนไปหนาวไปเวลาหายจากร้อนจากหนาวสบายก็มีความสุขอะไรนะก็สุขทุกข์หมุนเวียนเปลี่ยนไปแล้วก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติก็ได้บรรยากาศนะบางทีเวลาต้องการสายลมสายลมพัดมาเย็นสบายก็มีความสุขนะ ไปร้อนมามาเจอที่น้ำาได้อาบน้ำชำระกายก็มีความสุขหรือว่าไปอยู่ท่ามกลางหมู่ต้นไม้นะ่ะไปเห็นภูเขาวิวดีๆก็สวยงามมีความสุขอะไรเงี้ยมันก็มีมาจากะทั่งมนุษย์ยุคปัจจุบันในชีวิตมันก็หนีธรรมชาติไปพ ล, ลนั่นนั้น ความเป็นอยู่ของมนุษย์ก็คือชีวิตที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติโดยตัวเองก็เป็นธรรมชาติด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งและสุขทุกข์ของเขาก็มาจากแหล่งสาคัญอันนี้แหล่งที่หนึ่งก็คือธรรมชาติแวดล้อมอ่ะทีนี้ต่อไปสองอะไรสองมนุษย์ก็เป็นมนุษย์นะครับ <c oughs> มนุษย์เป็นมนุษย์ก็เกิดมาก็อยู่กับมนุษย์โดยเฉพาะมนุษย์นี่มีลักษณะพิเศษที่เขาเรียกก็เป็นสัตว์สังคม ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวอยู่กันเป็นหมู่เป็นพวกเป็นคณะความเป็นสัตว์สังคมนี้ก็ทำให้มนุษย์นี่มาตั้งสร้างบ้านสร้างเมืองตั้งแต่หมู่บ้านเป็นต้นไปอยู่กันเป็นสังคมนี้การที่มนุษย์อยู่ร่วมกันในหมู่มนุษย์เองเนี่ยเริ่มตั้งแต่ในครอบครัวมีพ่อมีแม่มีลูกมีพี่น้องแล้วก็มีวิสาหายเน มนุษย์ก็มีความสัมพันธ์ต่อกันดีบ้างไม่ดีบ้างกระทบกระทั่งบ้างเจอชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างนะช่วยเหลือกันบ้างขัดแย้งกันบ้างเพระมนุษย์ก็มีความสุขความทุกข์แหล่งสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะความสัมพันธ์ในทางสังค ม, มแต่ว่ามนุษย์ก็หวังในเมื่อตัวเองอยู่ก็ไม่อยากมีทุกข์อยากมีสุขความสุขแหล่งสําคัญ ที่หมายมั่นที่ต้องการก็ได้มาจากเพื่อนมนุษย์นี่แหลยนะเราก็พยายามสอนกันให้มีความสัมพันธ์ที่ดีช่วยเหลือเกื้อกูลเมื่อมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีมัตรีจิตอะไรก็ทําให้มีความสุขหรนะือยังอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันก็มีความสุขพระพุทธเจ้าก็ตัดไว้อย่างสุขาสังคัสสามัคคีอันนี้เป็นคาถาในพุทธศาสนาบางคาถาก็ไม่ใช่พุทธภาษิต บางทก็เอาพุทธภาสิต ท, ที่เป็นร้อยแก้วแล้วมาเรียบเรียงเป็นร้อยกลอ ง, งมังกรมีแต่ก็รวมความก็คือว่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่แหละที่เป็นแหล่งสําคัญของความสุขความทุกข์ในกรณีนี้เราพูดถึงสุขก็แหล่งความสุขก็คือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสังคมและอะไรอีกละ่ะนี่อีกอย่างหนึ่งมนุษย์อยู่นี่ไม่ได้อยู่เฉยเฉยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติก็จริงอยู่ท่ามกลางเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็จริง แต่เวลาอยู่น้่มาอยู่ไม่จะ อ, อยู่นิ่งๆเคลื่อนไหวทำโน่นทำนี่ทนี้ที่มนุษย์ทำอะไรเนี่ยก็ทำโดยสนองความปรารถนาของตนเองตัวเองอยากจะให้เกิดผลนั้นๆนมีความต้องการขึ้นมาแล้วก็ไปทำทำตามความต้องการนั้นพอทำได้สำเร็จตามความต้องการก็เกิดความสุขหรือในระหว่างที่ทำนั่นเอง ผลที่ต้องการมันก็ใกล้ขึ้นมาทุกทีการที่เองเดินหน้าใกล้ความบรรลุจุดหมายที่ต้องการก็มีความสุขอย่างนั้นหากว่าต้องทําอะไรด้วยไม่ต้องการ จ, จําใจมีการบังคับทําไปก็ทุกข์ใช่ไหมแต่ว่าโดยปกติมนุษย์ก็จะทําในสิ่งที่ตนเองต้องการคือมีจุดมุ่งหมายไม่ได้อยู่จะดีก็ไปทำไปทาเพื่อจะดําเนินชีวิตของตัวเองให้อยู่รอดได้ดีแล้วก็ได้ผลที่ต้องการ เะนั้นเวลาทำอะไรก็ได้ความสุขจากการกระทำอันนี้แหลงหนึ่งของความสุขความทุกข์ของมนุษย์กกิจกรรมแห่งชีวิตของเขาการเคลื่อนไหวต่างเนี่ยนะในมนุษย์ก็หวังความสุขจากการกระทำามแหลงนีเป็นที่มาสำคัญแห่งสุขทุกข์ของมนุษย์แต่เราพูดในแง่สุขเป็นสิ่งที่ต้องการมนุษย์เลี่ยงทุกข์ก็เลี่ยงทุกข์ในการเป็นอยู่ รวมกับสิ่งเหล่านี้และหวังสุขจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามหนนะหนึ่งธรรมชาติแวดล้อมสองเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วก็สามกิจกรรมแห่งชีวิตของเขาเนี่ยเป็นแหล่งที่มาแหงความสุขทีนี้นอกจากนี้มนุษย์ก็จะมีการเสพจากความจําเป็นของชีวิตที่ว่าจะต้องอาศัยปัจจัย4ี่ต้องกินอาหาร เ, เป็นต้นจากอันนี้ มนุษย์ก็ได้สนองความต้องการก็มีความสุขแล้วทีนี้ในการเสพเช่นกินอาหารมันก็จะมีธรรมชาติที่ว่าได้รับความรู้สึกที่เราเรียกว่าเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยๆเมื่อได้เสพรสอาหารก็มีความสุขเรียกจากความอริอร่อยนีแล้วก็จะมีเรื่องหูจมูกลิ้นกายซึ่งว่าเมื่อมีสัมผัสทางเหล่านั้นแล้วเกิดเวทนาเป็นสุข แล้วก็ใจที่คิดถึงสิ่งที่ชอบที่ปราถนาะอารมณ์ความจําที่ดีที่ตรงกับความต้องการความสุขอีกแหล่งหนึ่งก็มาจากเรื่องนี้มาจากพูดง่ายๆว่าการเสพนะ <c oughs> การใช้อาจัตณนะหรืออินทรีย์เสพรสิ่งต่างๆซึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องของแต่ละครั้งแต่ละครั้งไปนะมนุษย์จะมีการเสพท้งตาหูจมูกลิ้นนี่เข้ามา เสริมเป็นแต่ละขณะแต่ละเรื่องแต่ว่าชีวิตของเขาที่เป็นอยู่ตลอดเวลาก็สอันแรกนะคือการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติโดยที่เองตัวเองเป็นชีวิตหนึ่งแล้วก็อยู่ท่ามกลางสังคมตัวเองก็เป็นบุคคลหนึ่งแล้วตนเองก็มีกิจกรรมให่ชีวิตในการเป็นอยู่ของตนเองก็โดยมีไอ้การได้สุขจากการเสพนี่มาแทรกอยู่นี่ถ้าเราไปดูมนุษย์ในยุคโบราณนี่ ไอการเสพเนี่ยเขาจะมีเป็นส่วนที่เข้ามาเสริมมาแทรกแล้วก็ได้ความสุขไปเป็นครั้งๆทําให้ได้ควับความตื่นเต้นพิเศษขึ้นมานี้ต่อมามนุษย์จะมีจุดเด่นตรงที่ว่าให้เรื่องสิ่งเสพเนี่ยซึ่งมันไม่สม่ําเสมอแล้วก็ต้องการได้เสพ บ, บ่อยๆขึ้ น, นเพราะว่าได้ความสุขจะลดจากเวทนา จากความตื่นเต้นที่มีให้มันบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นต่อมาจุดเน้นนี่ก็มาอยู่ที่สิ่งเสพความสุขจากสิ่งเสพที่บำเรอตาหูจมูกลิ้นกายรวมไปถึงใจโดยเฉพาะทงางเข้ามาทางภายนอกเนะี่ยตาหูจมูกลิ้นกายเนะี่ยความสุขประเภท น, นี้ท่านเรียกว่ากามหรือเป็นความสุขที่เกิดจากอามิตรอามิตรก็คือว่าเป็นพวกวัตถุเสพน ความสุขอย่างนี้ท้าเรียกว่ากามาสุขหรือสามวิสุขก็จากตาได้เห็นรูปที่สวยงามหูได้ยินเสียงที่ไพเราะจมูกได้ลมกลิ่นที่หอมแล้วก็ลิ้นได้ลิ้มรสที่อร่อยกายได้สัมผัสที่ฟูฟ้านุ่มนวลอะไรต่างๆเหล่านี้นทีนี้ความสุขประเภทนี้ที่ว่า มนุษย์ต้องการได้เสพ บ, บ่อยๆขึ้นจุดเน้นมาอยู่ที่นี่มนุษย์ก็พยายามแสวงหาสิ่งเสพส่วนไอ้ความสุขที่มีเป็นพื้นฐานสามอันเนี่ยบางทีมนุษย์ก็ลืมมันเลยแต่ที่จริงมันมีตลอดเวลาทีนี้อะไรจะเกิดขึ้นต่อมามนุษย์ก็จะมามุ่งในการหาความสุขจากสิ่งเสพก็หาสิ่งเสพนี้มากขึ้นก็พัฒนาปรากฏว่าการพัฒนา ควาเจริญของมนุษย์ที่เรียกว่าสร้างอารยธรรมวัฒนธรรมต่างๆนั้นส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือการที่จะได้พกสิ่งเสพเหล่าเนี่ยซึ่งบางทีมนุษย์ก็แยกไม่ออกว่าอะไรเป็นส่วนที่เป็นความเจริญที่ดีที่แท้จริงที่เกื้อกูลต่อชีวิตของมนุษย์อย่างมนุษย์จะต้องอาศัยปัจจัยสี่ต้องมีวัตถุก็การ ม, มีวัตถุนั้นมันก็หมายถึงว่าการเกื้อหนุนต่อชีวิตทําให้ชีวิตอยู่รอดไม่ขาดแคลนอาหาร นะร่างกายจะได้แข็งแรงสมบูรณ์อันนี้ก็เรื่องมาจากอาหารด้วยแต่เวลาเดียวกันก็การเสพอาหารก็มุ่งรสมุ่งชาติอร่อยอร่อยด้วยมันก็คู่กันไปเนี่ยนะฮะไอ้สองอันในบางทีมนุษย์ก็แยกไม่ออกเมื่อแยกไม่ออกนี่บางทีจุดเด่นมันก็ไปอยู่ที่การเสพรสนะการพัฒนาทางด้านมีวัตถุที่จะมาช่วยเหลือชีวิตให้อยู่รอดอยู่ดีเนี่ยเป็นความเจริญด้านหนึ่งของ สังคมมนุษย์เราเรียกว่าเศรษฐกิจใช่ไหมก็เกิดการพัฒนาที่เรียกว่าด้านเศรษฐกิจขึ้นมาพัฒนาความพร้อมพร้อมทางวัตถุอันนี้ความพร้อมพร้อมทางวัตถุหรือวัตถุมาเกื้อหนุนชีวิตหรือวัตถุสําหรับมาเสพให้อริดอร่อยมันก็มีความหมายสองอย่างในเวลาเดียวกันถ้ามองในแง่ของวัตถุเหล่านั้นเป็นสิ่งเกื้อหนุนชีวิตให้อยู่ได้ดีไม่เดือดร้อนจะได้เป็นปัจจัย ให้จะได้เป็นเครื่องเกื้อหนุนในการไปทําสิ่งที่ดีงาม ต, ต่อไปอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นปัจจัยใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าเอามาในแง่ของการเป็นสิ่งที่เสพให้เกิดรสเกิดชาติมุ่งในด้านนี้ก็เป็นกามหรือเป็นอมิตรมันก็คู่กันไปอย่างเงี้ยทีนี้มนุษย์ไม่ได้แยกนี่มนุษย์ก็จะไปเน้นว่าโอ้ได้มีวัตถุพรั่งพร้อมจะได้เสพจะได้อริดอร่อยเอาแล้วสิทีนี้พอจุดเน้นมาอยู่ที่นี่ ก็จะมีปัญหาแทรกเข้ามาก็คือว่าหนึ่งแต่ละคนก็จะต้องแสวงหาให้กระตนให้มากที่สุดเพื่อจะได้เสพให้มากให้บ่อยนืให้ได้รสชาติในทางการมิสสุขการการมาสุขหรือสามมิสสุขเนี่ยให้เต็มที่ก็จะเกิดปัญหาระหว่างการในการแย่งชิงการคมเห็นเบียดเบียน แล้วก็มาปัจจุบันก็คือปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาตินี้พอไปแสวงหาสิ่งเหล่านี้มากขึ้นจากแต่ละคนพยายามแสวงหาออกมาเป็นภาพรวมสังคมที่ได้พัฒนาความเจริญมาที่เน้นเศรษฐกิจแล้วเกิดไปอารยธรรมมนุษย์มีโลกของมนุษย์เจริญบ้านเมืองอะไรต่างๆมากมายนี้อะไรยาวก็ปรากฏว่าอะไรเกิดขึ้นก็คือว่าธรรมชาติแวลอมเสื่อมทรเพราะว่าการที่มนุษย์จะ หาสิ่งเสพทางวัตถุให้มากนี่ก็คือต้องเอาวัตถุดิบจาธรรมชาติก็ยิ่งคติตอนตกมีความเชื่อว่ามนุษย์จะมีความสุขสมบูรณ์เมื่อได้เอาชนะธรรมชาติด้วยมันก็ยิ่งมาย้ำ ม, มาซ้ำเติมเรื่องนี้ให้มากขึ้นก็คือว่าการที่จะต้องไปจัดการเอาธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบมาผลิตสิ่งบริโภคให้แก่มนุษย์สนองความต้องการปลนเปลือความสุข ก็ไปไปม า, มาการพิชิตธรรมชาติจัดการกับธรรมชาติได้ตามชอบใจเพื่อหวังความสุขแต่นมนุษย์ก็กลายเป็นการทําลายธรรมชาติแวดล้อมทำลายธรรมชาติแวดล้อมนี่ก็ผลก็ตีกลับมาทําให้ธรรมชาติแวดล้อมนั้นเสียหายมนุษย์เองก็จะเกิดการขาดแคลนเองด้วยแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าด้านความสุขความรื่นรมในฐานะที่ชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินี้ก็จะเริ่มสูญหายไปและเมื่อมนุษย์ยิ่งไปแสวงหาสิ่งเสพ ในทางวัตถุสิ่งผลิตบริโภคนะซึ่งแปลรูปธรรมชาติไปแล้วเนี่ยมนุษย์ก็มีความแปลกแยกจากธรรมชาติเกิดขึ้นพอมาถึงบยุคปัจจุบันนี้ก็ปรากฏว่ามนุษย์ได้มีภาวะที่เรียกว่าแปลกแยกจากธรรมชาติเกิดขึ้นความแปลกแยกจากธรรมชาติก็คือการเข้าไม่ถึงกันความแปลกแยกทางด้านรู ป, ปรธรรมก็คือว่าไม่ค่อยมีชีวิตห่างธรรมชาติไม่เคยได้ใกล้ชิด อย่างคนที่อยู่ในเมืองบางคนี่อยู่ในเมืองทั้งวันอยู่กับเทคโนโลยีสิ่งที่มนุษย์ได้เอาธรรมชาติมาแปลรูปไปหมดแล้วเห็นไหมแกก็ออกจากบ้านอย่างที่เคยพูดว่านอนอยู่ในห้องแอร์อยู่ในตึกอยู่ในอาคารอย่างดีแล้วก็พอเช้าก็ออกมาก็เข้ารถยนต์เป็นเทคโนโลยีเดินทางไปตามท้องถนนตึกรามั้นช่องก็เป็น สิ่งสร้างสรรค์ของมนุษย์แล้วก็ไปที่ทํางานเข้าห้องแอร์แล้วแกก็วุ่นวายกับสิ่งเสพที่เป็นเทคโนลสิ่งผลิตจากเทคโนโลยีอะไรพวกนี้แล้วเสร็จแล้วแกก็กลับมาบ้านก็เข้าห้องแอร์นอนไปวันๆหนึ่งก็ไม่เจอกับธรรมชาติเลยนะหลายคนก็จะเป็นอย่างนี้นั่นก็ด้านหนึ่งก็ชีวิตก็ห่างเหินจากธรรมชาติเพราะนั้นเขาก็ไม่ได้ความสุขความรื่นรมจากธรรมชาติแวดล้อมที่เขาควรจะมี ในฐานะชีวิตเขาเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติความสุขของเขาก็ไปอยู่กับค่านิยมทางสังคมที่สัมพันธ์กับวัตถุเสพเหล่านี้นี่ก็เป็นอันหนึ่งทีนี้ต่อมาก็เมื่อธรรมชาติถูกมนุษย์เอาไปแปรรูปสนองความต้องการก็เท่ากับการทาลายธรรมชาตินี่ก็น้อยลงถึงแม่ตัวเขาไม่ห่างก็จะมีธรรมชาติให้เขาได้มาแสวงหาความรืม่นรมน้อยลงด้วย นอกจะน้อยลงแล้วมันอ ย, อยู่ในสภาพที่เสื่อมโมอทรมอีกต้นไม้ที่เคยเขียวขจีอะไรต่างๆมันก็ไม่เหมือนเก่าทิวทัศน์ที่เคยสวยงามมันก็ไม่สวยงามเต็มที่เหมือนเก่าอากาศที่แวดล้อมเขาก็สูดอากาศก็ไม่บริสุทธิ์แทนที่ว่าสูดอากาศแล้วจะรู้สึกสดชื่นคนในเมืองสูดอากาศข้าไปแล้วก็อึดอัดใช่ไหม ยิ่งคนบางคนแพ้แล้วก็ทําให้คนเป็นโรคแพ้กันมากขึ้นสูดอากาศอยในเมืองก็สูดไอจัดเข้าไป้ไหมไม่มีความสดชื่นอันนี้นอีกด้านหนึ่งเลยครับความแปลกแยกจากธรรมชาตินะตัวเองหากธรรมชาติสองธรรมชาติที่จะมีให้ลื่นลมก็มีปริมาณลดน้อยลงสไอที่มีน้อยลงนั้นก็ยังแย่ด้วยอีกเนะสื่อมโทรมอยู่ในภาวะที่ไม่ดี อันนั้นจากการที่มนุษย์ยานหาความสุขจากกามจากอามิตนี่พร้อมกันนั้นเขาก็ไม่ได้มันมาเปล่าๆเขาต้องลงทุนพร้อมกับการได้มาด้านหนึ่งเขาสูญเสียอีกด้านหนึ่งไปความสุขพื้นฐานของชีวิตด้านที่หนึ่งเสียไปแล้วก็คือความสุขจากการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแวดล้อมในฐานะที่ชีวิตเป็นส่วนหนึ่งธรรมชาติที่จะต้องการความรื่นรมจากธรรมชาติแวดล้อมนี่ นั่นเขาลงทุนคุ้มหรือไม่คุ้มก็ต้องพิจารณาเวลานี้กำลังมองว่าอาจจะไม่คุ้มนะแง่ที่หนึ่งนะแล้วก็ความสุขจากธรรมชาติฤ่นลมกับการเสพบางทีมันมาคู่กันอย่างเช่นว่าเราไปเจอกะรอกตัวหนึ่งนะคนสองคนจะมองกระรอกไม่เหมือนกันหรือแม้แต่ในคนเดียวกันคนละขนะ คนหนึ่งมองกระรอกด้วยสายตาที่เห็นมันน่ารักมันขยับขยื่นดูแล้วน่ารื่นรมอยู่ในธรรมชาติแวดล้อมบรรยากาศที่ทำให้สบายใจนะแล้วมันเป็นมิตรเพราะมันไม่มกลัวไผ่คนไม่เบียดเบียนมันอย่างเราไปในต่างประเทศเดี๋ยวนี้ก็ยังมีหลายประเทศจะเป็นอินเดียก็ตามอเมริกาก็ตามใช่มมันเข้ามามันก็ ไม่รู้สึกหวาดระแวงไผ่แล้วคนก็มีความรู้สึกชอบมันมันก็มายืนสองขาและขาหน้ามันก็เอามาทำมุม้งนิดๆที่ปากคนก็ชอบใจมันน่ารักสวยงามนี่คนก็ได้ความสุขจากการเห็นธรรมชาติแวดล้อมนี่ทีนี้อีกคนหนึ่งมองการลอกด้วยการที่ว่าจะหาความสุขจากการเสพมันก็คือกินมันใช่ไหมคนนี้จะไม่รู้สึกได้ความสุขจากไอ อาการที่กระรอกมันอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสวยงามเนี่ยความสุขของแกคือจะต้องจัดการเอากระรอกนี่เป็นหลงมกแกงก่อ น, นแล้วแกกินแล้วจึงจะได้ความสุขเนี่ยสองคนเนี่ยความสุขต่างกันใช่ไหมอันนี้ก็ลองนึกดูกันแล้วกันว่าความสุขแบบไหนนี่เป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับชีวิตมนุษย์เนี่ยถาว่าจำเป็นความจะเป็นในการเป็นอยู่ทําให้อยู่รอดทางทีก็ทําให้มนุษย์ต้องมา เบียดเียนและทำลายความสุขของตนเองในขั้นพื้นฐานจากการอยู่ร่วมกับธรรมชาตินี้แต่นี้ถ้ามนุษย์ไม่รู้จักประมาณมันก็กลายเป็นว่าไปทำลายความสุขในแง่ของการเป็นส่วนร่วมในธรรมชาติเสียไปการที่ว่าจะลงทุนเพื่อหาสิ่งเสพหาความสุขจากการเสพนะนั่นก็ลองคิดดูกันละกันความสุข ที่เกิดทันทีเมื่อเห็นกระรอกอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและมีจิตใจบริสุทธิ์ต็มมันกับความสุขจากการที่ว่าจะต้องเอามันมาลงมอกแกงแล้วก็ได้กินแล้วก็ได้อร่อยตอนเสพรสเนื้อกระรอกเนี่ยตอนนี้จะเอาอันไหนใช่ไหมนี่ก็เรื่องของมนุษย์ก็เป็นอย่างเงี้ยในด้านที่หนึ่งแล้วนะฮะแต่ว่ามนุษย์ยุปัจจุบันนี้ในเมื่อเราเน้นในการแสวงหาความสุขจากสิ่งเสพ บำเรตาหูจมูกลิ้นกายอันนั้นเราก็เริ่มแปลกแยกจากธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็โอกาสที่จะได้ความสุขจากสิ่งแวดล้อมธรรมชาติก็น้อยลงไปนกะการลงทุนของมนุษย์นี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าต้องได้มาด้วยการสูญเสียไปอีกครั้งหนึ่งอันนี้ยิ่งมนุษย์ แสวงหาความสุขจากการเสพมากขึ้นนะมันก็ยิ่งผลักดันให้มนุษย์ยิ่งแปลกแยกจากธรรมชาติมากขึ้นด้วยพร้อมกันนะทีนี้อาออกมานแหล่งที่สองแห่งความสุขของมนุษย์คืออะไรแหล่งที่สองแห่งความสุขของมนุษย์ก็บอกแล้วก็คือสังคมมนุษย์ด้วยกันก็คือเพื่อนมนุษย์การอยู่ร่วมอันนี้ถ้ามนุษย์อยู่ร่วมกับมนุษย์มีความสุข ก็ต้องมีจิตใจบริสุทธิ์ต่อกันยิ่งมีจิตใจกอเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเก็หนุนกันก็ยิ่งมีความสุขมีความสุขจากมิตรีมีความสุขจากการเกื้อกูลมีความสุขจากการซึ่งในน้ําใจของกันและกันเป็นต้นนะฮะนี่มนุษย์จะมีความสุขมากแต่ทีนี้อีกด้านหนึ่งคือมนุษย์ต้องการความสุขจากสิ่งเสพความสุขจากสิเงเสพนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวของแต่ละคนใช่ไหม แต่ความสุขจากการอยู่ร่วมกันเกือหนุนกันนะันเป็นความสุขร่วมกันของทั้งสองฝ่ายทีนี้พอมาเอาสุขจากเสษมันเป็นเรื่องแต่ละคนแต่ละคนต้องหาให้ได้มากมันก็จะมีการที่ว่าถ้าคนหนึ่งได้คนหนึ่งเสียนะความสุขของคนหนึ่งเป็นความทุกข์ของอีกคนหนึ่งแล้วเมื่อมันต้องการไอ้วัตถุเสษมันไม่ได้มีพรั่งพร้อมมันมีจากัดมันก็จะต้องเกิดการที่ เอาแล้วก็แย่งชิงก็จะเกิดปัญหาในการขัดแยง้งจากการเป็นมิตรก็เป็นศัตรูเปจากการช่วยเหลือเกื้อกูลก็เป็นทําร้ายเป็นการเบียดเบียนกันก็ก่อให้เกิดทุกข์พอเกิดให้เกิดทุกข์ก็มีความไม่สบายมีความหวาดกลัวนีต่อกันพอเจอคนก็ไม่ไว้ใจทีนี้พอแย่งกันมากๆต่อ ม, มันเพ่งไปที่วัตถุมันก็เต็มไปด้วยความหวาดระแวงต่อเพื่อนมนุษย์ พอมนุษย์เข้าสู่ระบบการแข่งขันแย่งชิงหาแต่ผลประโยชน์นี่จิตใจมันอยู่กับการได้วัตถุได้สิ่งเสพเพ่งจ้องไปที่นั่นพอมีท่าทีก็จิตใจเป็นเน้นที่วัตถุเป้าหมายอยู่ที่วัตถุความรู้สึกตะเพื่นมนุษย์ น, ยนี่มันก็จะมาสอดคล้องกับท่าทีตะวัตถุเมื่อท่าทีตะวัตถุจ้องจะเอามากขึ้นท่าทีตะเพื่อนมนุษย์แบบบาดระแวง กลัวเขาจะเอาด้วยก็เกิดเพิ่มมากขึ้นนั้นจิตใจก็จะมีความรู้สึกที่ปลูกฝังร่อล้อมไปตามสภาพสังคมที่เคยแต่จะคิดจะได้จะเอาจะแย่งชิงจะกลัวเขาได้จะเอาชนะมันก็เลยมีความรู้สึกต่อเพื่อนมนุษย์แบบวาดระแวงเป็นคู่แข่งมีความรู้สึกไม่จริงใจนะแล้วก็ต่อมาก็หาทางเอาเพื่อนมนุษย์เป็นเครื่องมือในการให้ตนได้ผลประโยชน์ มองเพื่อนมนุษย์เป็นเพียงสะพานที่ตัวเองจะได้สิ่งเสพได้ผลประโยชน์ความจริงใจไม่มีความสุขจากมิตรีก็ไม่มีใช่ไหมนั้นพร้อมกับการที่มนุษย์มามุ่งแสวงหาจากความสุขจากสิ่งเสพเหล่านี้อะไรเกิดขึ้นก็คืออีกด้านหนึ่งเขาก็สูญเสียเขาก็สูญเสียความสุขจากการอยู่ร่วมสังคมซึ่งเป็นความสุขพื้นฐานของชีวิตไปใช่ไหมแล้วเขาก็แปลกแยกจากเพื่อนมนุษย์ทีนี้เพราะความรู้สึกเป็นมิตรไมตรีไม่มีความจริงใจไม่มี มันรู้สึกแตว่วาดระแวงเขาจะเอาเขาจะได้เราจะสู้เขาได้หรือเปล่าตกลงมนุษย์อยู่ร่วมกันด้วยความรู้สึกแปลกแยกกันหมดเลยแล้วยิ่งเขาตั้งวัตถุเสพเป็นป้าหมาชีวิตยิ่งทยานหาสิ่งเสพเท่าไรความแปลกแยกจากเพื่อนมนุษย์ก็ยิ่งมากเท่านั้นชการที่เขาจะมีความสุขจากการอยู่รวมสงมังคมมนุษย์ก็น้อยลงเป็นสิ่งฉาบฉวยผิวเผินเท่านั้นเองไม่จริงจังนะ เพราะนั้นการได้มาด้านหนึ่งก็คือความสูญยสีด้านหนึ่งี่ก็แหล่งที่สองแล้วนะฮะอ้าวนี่ต่อไปแหล่งที่สมแห่งความสุขพื้นฐานของมนุษย์ชีวิตมนุษย์เป็นอยู่บอกแล้วอยู่ในกิ จ, จา ก, การรมแห่งชีวิตในแต่ละขณะที่ทําอะไรก็ทําไปซื่ อ, อโดยต้องการสนองความต้องการนะโดยปกติถ้าไม่ต้องการอะไรแกก็ไม่ทำใช่ไหมทีนี้ต้องการวัตถุประสงค์อะไรนะอยากจะขุดดินก็เพราะว่าใจมีวัตถุประสงค์ต้องการได้หลุม แลไปขุดดินขุดดินก็มีความสุขจะไปทําอะไรก็ตามมันมีความต้องการเป็จุดหมายมันมีความสุขในการกระทําทีนี้พอมนุษย์มาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมแล้วทีนี้มีความปรารถนาเรื่องสิ่งเเสพมีความฝ่ายเเสพมากขึ้นวัตถุประสงค์เป้าไมา้ความสุขของตอนนี้ไปฝากไว้กับวัตถุเเสพเอาละสิทิมนุษย์ก็เกิดการบัญญัติขึ้นมาในอริยธรรมของตอนเองที่เรียวกว่าสมมติว่า เรามีการแบ่งงานกันทำธรรมนุษย์แล้วจะได้เงินเดือนตอบแทนต่อมามนุษย์ก็ติดอยู่ในกฎสมมติของมนุษย์นี้อย่างที่เคยเล่าให้ฟังบ่อยๆยกตัวอย่างง่ายๆก็เรื่องคนทาสวนยกและยกอีกนะฮะที่ว่าคนแต่ก่อนนี้แกจะไปทําสวนปลูกต้นไม้เพราะแกต้องการต้นไม้ถูกไแกต้องการต้นไม้แกม่แกไม่ไปทําก็คงจะขำเหลือเกินเนะมนุษย์อยู่ตามธรรมชาติ อยู่ไม่ได้ต้องการอะไรไปทําก็เป็นเรื่องน่าขาทีนี้มนุษย์แต่ก่อนนี่อยากจะได้ต้นไม้แกก็ไปปลูกต้นไม้แกปลูกต้นไม้สนองความต้องการแกเวลาแกปลูกแกก็มีความสุขแกไปรดน้าพรวนดินทุกวันแกไปคอยดูต้นไม้มันงามไม่งามแกไปเห็นมันไม่งามหรอแกก็หาทางทําให้มันงามมันงามขึ้นมาแกาแก็มีความสุขแกมีความสุขจากการกระทําของแกเพราะมันตรงกับจุดมุ่งหมายนี่เป็นกิจกรรมตามธรรมชาติทีนี้พอมนุษย์จเจริญขึ้นมา มนุษย์ก็มีการบัญญัติแต่ที่จริงเดิมนั่นก็เป็นการสอดคล้องกับธรรมชาติว่าเออมนุษย์อยู่รวมกันเป็นสังคมนี่เราอยากให้ต้นไม้งามต้นไม้งามเราเยอะๆมันก็ทำให้ดูเขียวขจีบรรยากาศก็น่ารื่นรมีความสวยงามสดชื่นออมนุษย์ก็อยู่กันเป็นสุขอา้าวเราจะมาทากันทุกคนมันก็ไม่มีเวลาแล้วก็มันก็จะไม่ได้ผลดีมนุษย์ก็แบ่งงานกันทำว่อาอ้าวลันนะ คนนี้ไปทางานโน้นคนโน้นไปทำงานนี่นนานนการทำสวนปลูกต้นไม้ก็ให้เป็นหน้าที่ให้คนส่วนหนึ่งมาทำแต่เพื่อช่วยให้เขาไม่ต้องไปห่วงกังวลในความเป็นอยู่คุณตั้งใจมาทำสวนอย่างเดียวนะแล้วก็คุณไม่ต้องห่วงฉันจะจัดสรรอาหารปัจจัยสี่ให้คุณอยู่ได้โดยให้มาเป็นเงินเดือนพอให้เงินเดือนแล้วคุณก็ไม่ต้องไปห่วงกังวลและตั้งใจทาสวนไปนะทีนี้ตอนนี้มันเกิดเป็นกฎขึ้นมาใหม่ เดิมเรก็มีว่าการปลูกต้นไม้ทําสวนเป็นเหตุก็ได้ต้นไม้เจริญงอกงามเป็นผลอันนี้คือผลที่ต้องการตามกฎธรรมชาติซึ่งเป็นความจริงแน่นอนอการทําสวนเป็นเหตุให้ต้นไม้เจริญงอกงามทีนี้ก็มีกฎมนุษย์ซ้อนเข้ามาในอริยธรรมมนุษย์ที่แบ่งงานกาันทําเพื่อมาสนับสนุนกฎธรรมชาติเพื่อจะให้ได้ต้นไม้งามกันอย่างจริงจังมีคนที่มาตั้งใจทำํำก็เลยตั้งกฎสมมติเข้ามาให้มีคนมาทําสวนแล้วก็ การทำสวนเป็นเหตุได้เงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลใช่ไหมก็ได้กฎมนุษย์กฎมนุษย์นี้การทำสวนเป็นเหตุได้เงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลนกฎมนุษย์นี้เรียกว่ากฎสมมติเพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดจากการยอมรับร่วมกันสมมติเพราะการยอมรับร่วมกันมติสังสมมติมาจากสังมติสังร่วมกันมติก็คือมติมติเพราะข้อตกลงการยอมรับการรู้ แล้วก็สังร่วมกันก็หมายความการรู้ร่วมกันยอมรับร่วมกันตกลงร่วมกันตกลงร่วมกันว่าคุณทําสวนไปแล้วฉันจะให้เงินเดือน 5,000 บาทกฎนี้เรียกว่ากฎสมมติคือเกิดจากการยอมรับร่วมกันหมายความว่าถ้าไม่มีสมมติแล้วกฎนี้ไม่เป็นกฎถ้าไม่มีการยอมรับร่วมกันปั๊บกฎนี้หายทันทีใช่ไหมเพราะนั้นกฎสมมติเนี่ยสำคัญมาทําให้โลกมนุษย์จะเริ่ดได้ สมมตินี่คนไปดูถูกมั น, นคนไทยนี่เข้าใจผิดวราสมมตินี่ไม่จริงไม่จังเหลวไหลคือมันเหลวไหลไม่เหลวไหลอ ย, อยู่ที่มนุษย์มีปัญญาไหมใช่ไหมถ้ามนุษย์มีปัญญาแล้วปฏิบัติตามข้อตกลงนี้สมมติก็เป็นสิ่งที่เกื้อหนุนทําให้สังคมนี้อยู่ได้ดีทําให้เจริญงอก ง, งามมีอริยธรรมเราไม่มีสมมติเราอยู่ได้ไงแล้วก็ถ้าไม่มีสมมตินะมนุษย์ก็เป็นเหมือนกษัตริย์ชนิดอื่นนี่มนุษย์อยู่เป็นสังคมได้เพราะมีสมมติ มันเก่งความสามารถของมนุษย์สังคมมนุษย์ที่เจริญมีอารยธรรมมานี่ก็ด้วยอาศัยสมมตินี่แหละเพราะมนุษย์มีปัญญารู้จักมาตั้งกำหนดกฎเกณฑ์เป็นการยอมรับตกลงร่วมกันในสังคมเพื่อจะให้กิจการต่งตางๆเป็นไปแล้วให้สำเร็์ผลตามความรู้เข้าใจกฎธรรมชาติเพราะมนุษย์รู้กฎธรรมชาติว่าสวนต้นไม้เจริญงอกงามได้เพราะต้องมีคนไปคอยดูแล ปรุงแต่งมันเพราะมันต้องการเหตุปัจจัยมนุษย์ก็ไปทําเหตุปัจจัยนั้นช่วยมันอันนี้เราก็เลยตั้งกฎสมมติขึ้นมาว่าเพื่อให้มีคนมาดูแลช่วยต้นไม้ก็ตั้งกฎสมมติของมนุษย์ว่าให้เงินเดือนคนซะไม่ให้เขาเป็นห่วงเรื่องเป็นอยู่แล้วเขาจะได้มาตั้งใจทําเต็มที่นั้นกฎสมมติของมนุษย์เกิดขึ้นว่าทําสวนหนึ่งเดือนได้เงินเดือน 5,000 บาทก็เพื่อมนุษย์กฎธรรมชาติจะได้มีคนทําสวนแล้วทําให้ต้นไม้เจริญงอกงามใช่ไหม นี่เป็นความฉลาดของมนุษย์แต่ความฉลาดของมนุษย์นี่ถ้ามนุษย์เพลินก็ไปหลงสมมติเลยห่างเหินห่างลืมทอดทิ้งมองข้ามความจริงดั้งเดิมคือความต้องการผลตามกฎธรรมชาติตอนนี้เชื่อมโยงไม่ถึงติดอยู่แค่กฎสมมติว่าทำสวนหนึ่งเดือนได้เงินเดือน 5,000 บาทโยงไปไม่ถึงว่าที่จริงนี้เพื่อให้กฎสมมติของมนุษย์ไปหนุนกฎธรรมชาติ ว่าทําสวนหนึ่งเดือนแล้วต้นไม้จเจริญงอกงามใช่ไหมพอหลงก็ไปติดในกฎสมมติแกก็โยงตัวไม่ถึงกฎธรรมชาติแกก็แปลกแยกจากธรรมชาติแปลกแยกจากกฎธรรมชาติตอนนี้อันแปลกแยกจากธรรมชาติเมื่อกี้เราพูดไปทีแล้วตอนนี้แปลกแยกจากกฎธรรมชาติเลยแปลกแยกจากตัวธรรมะแปลกแยกจากตัวความจริงที่แท้ของสิ่งทั้งหลาย อันนี้แกก็ไปหลงติดสมมติแล้วทีนี้แกทําสวนหนึ่งเดือนคือต้องการเงินเดือนอย่างเดียวแกไม่ได้คิดต้องการให้ตนมาเจริญงองงามพอแกลืมกฎธรรมชาติแกแปลกแยกจากกฎธรรมชาติแปลกแยกจากตัวธรรมแปลกแยกจากตัวความจริงแกทําสวนไม่มีความสุขล้ทีนี้ใช่ไหมเพราะกิจกรรมแห่งชีวิตของแกนี่แกมามุ่งผายผลที่มันไม่ตรงตามความเป็นจริงกิจกรรมของแกนี่มันเป็นกิจกรรม ที่มุ่งหมายผลที่ไม่ตรงตามความจริงแท้ของกฎธรรมชาติเพราะว่าการทําสวนทําให้เกิดเงินเดือนห้าพันบาทนี่มันไม่มีความจริงในกฎธรรมชาติรองรับมันเป็นกฎสมมติที่ยอมรับมีที่ไหนว่าไปทําสวนแล้วเงินมันเกิดขึ้นมาเป็นไปไม่ได้ในโลกนี้ใช่ไหมอันนี้มนุษย์นึกว่าเป็นความจริงก็จริงเพราะยอมรับร่วมกันเท่านั้นเองอันนี้พอไป ติดอันนี้แล้วแกก็แปลกแยกจากกฎธรรมชาติก็คือแปลกแยกจากกิจกรรมแห่งชีวิตของแกเองทงั้งๆที่แต่แกกําลังทํากิจกรรมคือการทําสวนอยู่เนะี่ยจิตใจแกไม่อยู่กับ ก, กิจกรรมแห่งชีวิตแกจิตใจแกไปอยู่กับ ก, การมุ่งหมายเงินตอบแทนเพราะฉะนั้นแกก็ไม่มีความสุขในการทํากิจกรรมนั้นสิกิจกรรมทําไปทําไปอย่างไร้ความหมายไม่รู้ทํำไปทําไมนะแล้วมันกลับไปตัวทําให้ต้องรออะไรเงินจะมาสักที สิ่งเสพจะมาสักทีกลายเป็นว่าทํำด้วยความทุกข์ทรมานกําลังทํากิจกรรมที่อยู่ใจไม่อยู่แล้วเพราะฉนั้นกิจกรรมแห่งชีวิตของแก่แทนที่จะนํามาซึ่งความสุขก็นํามาซึ่งความทุกข์ความทรมานใจนี่เรียกว่าแปลกแยกจากกิจกรรมแห่งชีวิตของตนเองเพราะฉะนั้นมนุษย์สมัยนีย้ที่จะเจริญในอารยธรรมเนี่ยจะทําอะไรแต่อะไรที่ตัวเองไม่รู้ว่าทําไปทําไม และไม่เคยคิดว่าที่ทํานี้เพราะอะไรเพราะมันเป็นความชํานาญพิเศษของมนุษย์ที่มาจาัดสรรสังคมแบ่งงานกันทําจึงกระทั่งว่าไอ้ที่ทำอยู่ไม่รู้ว่าทําเพื่ออะไรใช่ไหมจริงไหมสมัยนี้คนทํางานทําการไม่รู้ว่าไอ้กิจกรรมที่ตัวทำเนี่ยผลที่แท้ที่ต้องการตามกฎธรรมชาติคืออะไรศักแต่ว่าทํานึกว่าทาคือเงินเดือนใช่ไหมทุกอย่างไปรวมที่ผลประโยชน์หมดทําอะไรก็ได้ผลประโยชน์ แล้วก็นึกว่านี่นเป็นกฎแห่งเหตุผลจริงๆนะซึ่งที่จริงมันไม่มีในธรรมชาติเลยไม่เป็นความจริงแท้ไม่เป็นตัวธรรมะก็เป็นหลงสมมตินั้นโลกมนุษย์ปัจจุบันก็จเจริญในอารยธรรมจริงแต่ปัญญาที่แท้นี้กําลังจะหายไปคือไม่รู้ตัวธรรมะไม่รู้ตัวความจริงที่แท้ตามกฎธรรมชาติในที่สุดกิจกรรมของชีวิตก็เลยแปลกแยกไปแปลกแยกจากความจริงของกฎธรรมชาติก็คือตัวเองนั่นแหละ แปลกแยกจากกิจกรรมแหงชีวิตของตัวเองใจไม่อยู่กับกิจกรรมใจไม่มีความสุขในการทํากิจกรรมนั้นๆแล้วเมื่อมนุษย์ยิ่งต้องการสิ่งเสพมากเขาก็ยิ่งแปลกแยกจากแหล่งความสุขพื้นฐาน3าประการหนึ่งธรรมชาติสองเพื่อนมนุษย์3มกิจกรรมแหชีวิตของตัวเองมากขึ้นเท่านั้นแล้วเมื่อเขาแปลกแยกมากขึ้นมันก็กลับเป็นตัวบีบให้เขายิ่งต้อง หันมามุ่งหาความสุขจากสิ่งเสพมากขึ้นนี่มันก็กลับเป็นไอ้ปัจจัยลูกโซ่ตีกลับมาอีกใช่ไหมยิ่งหามันมากก็ยิ่งแปลกแยกมากยิ่งแปลกแยกมากก็ยิ่งผลักดันให้ตัวเองต้องหาความสุขจากสิ่งเสพให้มากเพราะมันเหลือช่องทางเดียวเพราะนั้นมนุษย์ในยุคบริโภคนิยมนี้มีแนวโน้มมากที่จะมองวัตถุเสพเป็นจุดหมายของชีวิตการพัฒนาเศรษฐกิจให้วัตถุพรั่งพร้อมนเป็นจุดหมายของสังคม เพื่อสนองความต้องการแต่ละบุคคลที่ว่าจะได้ต้องการได้สนองความต้องการเสพให้มากที่สุด <Yeah. S 1> น, นี่ก็ยิ่งบีบยิ่งรัดในที่สุดวัตถุเสพเป็นจุดหมายชีวิตก็เลยแปลกแยกธรรมชาติถึงขั้นทำลายธรรมชาติทำลายเพื่อนมนุษย์โดยการสังคมก็เดือดร้อนตงลงชีวิตมนุษย์ก็หามีความสุขไหมเพราะนั้นการลงทุนของมนุษย์ที่ทะยานหาวัตถุเสพมานามาซึ่ง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 หรือเป็นพวกที่น่าหัวเราะเยาะให้ไม่รู้ทำไปทำไมเน่ยมนุษย์เคยวิเคราะห์แยกแยะไหมที่ตัวสร้างความเจริญแม้แต่วัตถุนี้จุดแห่งความดีเกณฑ์วัดความดีเกณฑ์วัดความเจริญที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขที่แท้จริงของมนุษย์เี่อยู่ตรงไหนใช่ไมแม้แต่การแยกว่าวัตถุเสพเหล่านั้นที่สร้างมานี้เป็นปัจจัยกหนุนชีวิต การที่ว่ามันเป็นจุดหมายของชีวิตนี้ก็แยกไม่ออกใช่มมนุษย์มีชีวิตเพื่ออะไรถ้าเขาจัดถ้าเขาไม่สามารถแยกอันนี้ได้ไม่สามารถเข้าใจอันนี้ได้ชีวิตของเขาก็ดำเนินไม่ถูกต้องสังคมก็ไม่สามารถจะบริหารหรือแม้แต่เป็นนักปกครองนักการเมืองก็ไม่สามารถจะบริหารบ้านเมืองสังคมนี้ให้ ไปสู่ความดีงามและสันติสุขได้ใชไม่เข้าใจเรื่องพื้นฐานอย่างนี้ทีนี้เรื่องของมนุษย์มันก็ยังไม่จบท่านี้เรื่องกาลองนี่เราเรากําลังพูดเพียงขั้นพื้นฐานเท่านั้นเองนะแค่ว่าเอาละชีวิตเกิดมาแล้วก็1อยู่ท่ามกลางธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติในฐานะชีวิต2ก็เป็นบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมอยู่ร่วมสังคม3ก็มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวเป็นต้น นี่คือสิ่งที่เป็นไปในชีวิตแต่ละขณะแต่ละเวลาซึ่งเป็นแหล่งสำคัญพื้นฐานแห่งความสุขของเขาแล้วก็มีความสุขจากการเสพมาเป็นตัวแซกเสริมเติมทำให้ตื่นเต้นแล้วจิตใจมนุษย์ก็มาโน้มเอียงมาและพุ่งไปสู่การหาสิ่งเสพมากขึ้นในที่สุดก็แปลกแยกจากธรรมชาติเพื่อนมนุษย์และ กิจกรรมเนชีวิตของตนเองนะก็ถ้าเรามองว่านี่เป็นการดำเนินชีวิตและการพัฒนาสังคมที่ไม่ถูกต้องและทางที่ถูกต้องคืออย่างไรนะถ้ามนุษย์พัฒนาชีวิตและบริหารสังคมอย่างถูกต้องมันจะเกิดอะไรขึ้นนอกเหนือจากนี้นอกเหนือจากว่านหนึ่งเขาน่าจะได้สิ่งเสพ พอสมควรนะแล้วพร้อมกันนั้นเขาไม่แปลกแยกจากแหล่งพื้นฐานในความสุขของชีวิตของเขาสามประการคือธรรมชาติเพื่อนมนุษย์และกิจกรรมของชีวิตนะอันนี้ต้องไม่ให้เสียสมอันนี้ต้องลงดังยังอยู่แล้วเขาได้สิ่งเสพเพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่ามันมีแค่นี้หรือเนะี่ย้าพุทธศาสนาตอบว่าไม่ใช่มันมีเหนือกว่า น, นี้ถ้ามนุษย์พัฒนาตัวเองนะเขาจะมีความสุข เพิ่มขึ้นมาอีกหลายช่องทางและลักษณะสำคัญก็คือว่าชีวิตของเขาเนี่ยจะขึ้นต่อวัตถุเสพภายนอกน้อยลงไปด้วยในการที่จะมีความสุขนั้นนี่เราจะมาพัฒนากันอย่างไรก็นึกว่าเอาไว้เป็นเรื่องที่จะพูดกันต่อไปเพราะวันนี้เวลานี่ล่วงไปเยอะแล้วนะฮะเรื่องความสุขเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่ที่บางทีชาวพุทธเนี่ยกลับไปเลี่ยงไม่พูด แอาพูดเรื่องไม่ได้ไม่ได้ไม่มีแต่ทุกข์อะไรนะเราพูดจะเรื่องทุกข์เนเพราะฉะนั้นเมทีเข้าใจมความสุขชีวิตนแล้วงทาโจะต้องแข็งแกร่งจริงด้วยแข็งแกร่งสิฮะเพราะว่ามันไม่หลงนะฮะพอไปเจอสิ่งเสพมันโน้มไปสู่ความรุ่มหลงมัวเมาใช่ไหมเออแล้วทีนี้ ไอ้สิ่งเสพนี่มีลักษณะอย่างหนึ่งคือยิ่งกระตุ้นยิ่งเรายิ่งเสพมากจะต้องต่อมาก็คือว่าไอ้สิ่งเสพเท่าเดิมไม่ให้ความสุขเท่าเก่าต้องเพิ่มปริมาณสิ่งเสพเพื่อให้ได้ความสุขเท่าเดิมถูกไหมเออไอ้ตัวความสุขอาจจะเท่าเดิมแต่ปริมาณต้องเพิ่มแล้ดีกรีต้องเพิ่มอีกดีกรีการกระตุ้นต้องเพิ่มอันนี้ก็หมกมุ่นมัวเมาอะไรแต่อะไรก็ไปกันใหญ่ก็แปลกแยกด้วยผมคิดถึงในการ มนุบางบางจำพวกที่ไม่เข้าใจว่าหรือบางคนเนี่ยทำเพื่อประโยชน์ส่วนรุ่จริงแต่มันุษที่ไม่เข้าใจกลับมาทำลายเขเอีกอ๋อก็เพราะเขาลุ่มหลงมมมาเขาไม่รู้แหละไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้นความลุ่มหลงที่หวังประโยชน์ส่วนตัวใช่ไหมมันก็ทําให้เกิดความแปลกแยกจาเพื่อนมนุษย์ยังไงแล้วเขาจะมาเข้าใจคนที่ทําดีนี่ได้ไงใช่ไหมเพราะเขาแปลกแยกแล้วเนี่ยเขามองแต่ในงแง่ว่าไอ้นี่จะมาลุกลามทําให้เขาเสียผลประโยชน์ ใช่ไหมสิ่งเสพเขาจะไม่ได้เขาก็ยิ่งโกรธเลยนะก็ยิ่งมาแปลกแยกจากการแปลกแยกก็มาทำลายเลยในะตอนอนี้การัฒนา เ, ออเรื่องระบการศึกษาก็ดีมีผลความคิด ข, ของม น, นุษย์มากหลังน้ น, น ะ, ะ, ะในหมู่ปัญญาชนทีออ่ผมได้อยู่ร่วมได้ทำกิจกรรมร่วมนะมีความรู้สึกอย่างหนว่าทุกคนเราไดเลยความสาคัญของงาน ก็มองว่าตัวเองเนะ่ยจมาอย่างนี้มฐานะอย่างนี้มีชาติภูอย่างนี้งานรัศมีนี้ไม่ใงานที่เหมาะสมกับตัวเองอกิจการต้องงานอย่างนี้ต้องเป็นงานคุรีงานอย่างนี้คือไม่รู้ว่าไอ้ที่แท้มันมีเพื่ออะไรซิ่งเหล่านี้ไม่มีเป็นความหมายหรือคุณมฐานะท่านอย่างนี้ท่นมีระดับอย่างนี้นมีฐานะอย่างนี้มีชาติูอย่างนี้งานอย่างนี้เป็นงานคุรีนไม่ทําลวก็กลายเป็นว่ามว่าหลายต้องไปทำในการนการป้ใจแล้วก็ไม่สามารถหาความสุขจากการทำงานได้ก็ใช่เพราะเขาแปลกแยกแล้วนี่ใช่ไห เขามองไม่เห็นในความสัมพันธ์ระหว่างกติกาสังคมของมนุษย์ที่สมมติขึ้น mm hmm. กล้ความจริงแท้ตามกฎธรรมชาติมองไม่เห็นเลยดียคนสมัยนี้แทบจะไม่มองเลยถูกไหม mm hmm. ไม่มอง mm hmm. เขาไม่เข้าใจมันโยงกันได้ยังไง mm hmm. เขานึกว่ากฎที่สมมติเนี่ยเป็นกฎจริงแท้แล้วนะ mm hmm. เขานึกว่าเป็นเหตุเป็นผลนี่ก็ทํางานหนึ่งเดือนก็ได้เงินเดือนเท่านี้นี่คือความจริงอันนี้ไม่รู้ว่านี่คือสมมติ ความฉลาดของมนุษย์ที่สมมติขึ้นมาตัวเองสั่งคนั้ได้อย่างนี้เพราะต้องตัวเองก็มองมาทำอย่างนี้การในความทุกข์ไปนั่นเนี่ยมนุษย์เสียฐานเลยนะฐานพังแล้วฐานพังแล้วจะอยู่ไงคราวนี้ก็ทยานเกาะเกี่ยวยึดไอเนี่ยจะสิ่งเสพเนี่ยเท่านั้นเองเพื่อจะเอาไว้ให้ได้ จริงๆแล้วสังคมปุรุณปฏินี่น่าจะเป็นสมัยสังคมสมัยพุทธกาลนะครับเพราะว่าหนึ่งเรามีองค์สามมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นสัพธัญญู่ามารถวางอาริยวินัยแล้วสองเนี่ยเป็นร่ในสมัยนั้ถ้าที่ผมอ่านพิพธประวัตินะอย่างองคราชครึกแค่พระพระองค์เแสดงธรรมเนี่ยสิบในสิบสองส่วนก็บรรลุอรหัตบรรลุสุดาวันคือได้ได้ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้ว อาจจะคาถาบ้งอาจกะาถาพระบาลีพระใจพิดกไม่ถึงขนาดนั้นพระใจพิดกพระสูตรนี่ได้ยมากอะฟังแล้วคนนั้นก็บางทีก็พินันทิงสุนี่หลายหลายคนบันเทิงใจพอใจบางทีก็พอใจแล้วก็ขอประกาศตนเป็นอุบาสก าบางคนก็ขอบวชเลยรนี่นะเป็นลายๆไปแต่ว่ามันจะไม่มีจำนวนสถิติรือลั่นมหัสัจจันอย่างใ น, นอัติกถาอัติคติ อ, อ, อะไรนะเทวดาแสนโกรธโได้บรรลุธรรมหรืออะไรอย่างนั้นเนี่ยนี่อัติกถาคือมโดยเปรียนที่ว่าเรืองว่าสัมสมัยนั้นเป็นเพราะว่ามีองค์สองมสมพุทธเจ้าเป็นอรันสมาสามพุทธเจ้าที่าาาาสามารถวางอริยรร ยิ่งแสดงแสดงธรรมให้เหมาะสมกับทั้งบุคคลกับวิธีการแล้วก็ธรรมะที่จะยกขึ้นมาเสอนด้วยครับก็เลยทําให้คนนบรรลุได้เยอะแต่ในสมัยปัจจุบันเนี่ยอย่งบุคคลระดับอย่างนั้นมันไม่มีแล้วอย่างที่สอนี่มันนึกก็ยิ่งมาหลงทาอยูสังคมตรงสติเนี่ยนะผมว่ายิ่งนับบอลมันยิ่งหลังเลยทีเดียวก็มันก็อยู่ที่ว่ามนุษย์เราจะมาตั้งจุด เริ่มต้นถูกไหมใช่ไหมมาเข้าสู่จุดเริ่มต้นเข้าสู่ทางมรรคมาไงล่ะมันก็ต้องเข้าสู่ธรรมะที่เป็นปัจจัยแห่งสมารถทิฏฐิบ้างหรือมั้งั้นก็เข้ามาโดยไอตัวบุพนิมิตแห่งมรรคนี่ไงที่ประพูดไปแล้วถ้ามันเริ่มต้นเข้าจุดถูกมันก็มีทางไปทีนี้เราทําไงจะให้เขาได้ปัจจัยสมารถทิฏฐิใช่ไหมก็เป็นการยานามิชช่วยให้ความรู้ให้ความเข้าใจเนี่ยให้ปรตโตโคสะที่ดี แล้วก็กระตุ้นให้ความรู้จักคิดของเขาขึ้นมาหรือไม่งั้นก็ให้เขามีไอตัวเจตัวนะ่ะบุพนิมิตแห่งมรรคใช่ไหมถ้าเขาได้นั้นก็มีทางเข้าถูกต้องไม่ ว, ว่ายุคสมัยไหนถ้าคำนุษย์สามารถมาจับจุดเริ่มต้นนี้ถูกมันก็ไปได้ดีในสมัยพุทธกาลเองก็เพราะว่าสังคมมันแย่นะพระพุทธเจ้าจึงเกิดถูกไหมเนีมันแย่แล้วในยุคนั้นนะ่ะยุคพุทธกาลคือยุคที่อารยธรรมอินเดียจเจริญมาก จากสังคมที่พัฒนากันมาในขณะที่ตะวันตกยังวิ่งไล่ล่าสัตว์อยู่ใช่ไหมยังบรนบาไปเรียนไนอะ้ทางอินเดียทางจีนเจริญแล้วนี่ตอนนั้นมีอารยธรรมแล้วของอินเดียนี่ก็ตั้งแต่ลุ่มนาสินธุมานะพวกโมหินโจดาโรอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้เจริญมาแล้วพวกอารยันเข้ามาก็จเจริญกันใหญ่ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นนะมีการ บริหาร <c oughs> มีการปกครองมีการแย่งชิงดินแดนในเวลาเดียวกันการใช้อำนาจก็มากทรัพย์ก็มากการแสวงหาความสุขจากวัตถุเสพเริ่มมากขึ้นคนลุ่มหลงมวงัมวเมาคนพวกหนึ่งก็เบื่อหน่ายเลยโอ้ออกป่าดีกว่าไม่เอากระใครแล้วไปเป็นฤาษีชีปลายไอ้พวกหนึ่งก็เสพกันใหญ่เลยนะฮะในเมืองเนี่ยยุคนั้นจะเกิดชีวิตที่สุดโต่งสองทางเหมือนสมัยนี้สมัยนี้ก็ จเจริญเพื่อพูนมัวเมาใช่แล้วก็พวกหนึ่งก็เบืออหน่ายก็พระพุทธเจ้าก็มาเห็นเมันยังไงชีวิตยังไงมันจึงจะดีไปทดลองกับเขาไปแสวงหาความรู้บอกไม่ถูกทั้งคู่เป็นที่สุดสองอย่างแล้วก็แสวงหาทางแห่งปัญญาได้มัชิมาปฏิปทามาประกาศถูกฮะอันนี้ในสังคมสมัยนะั้นพระพุทธเจ้าเกิดท่ามกลาง <c oughs> สังคมที่มันสู่กระแส ข, ของวัตถุนิยมไปเยอะแยเหมือนกันนะ แล้วก็พยายามมาแก้ไขมาชี้แจงเพื่อ น, นำเข้าสู่แนวทางมัชฌิมาปฏิปทาทางแห่งมรรคมีองค์แปดที่ถูกต้องก็ได้คนมาจำนวนหนึ่งใช่ไหมก็พัฒนาจเจริญมา พ, าพระพุทธเจ้าเป็จุดเริ่มต้นให้หลังพุทธการแล้วพุทธศาสนาก็กจเจริญต่อมาแต่ในเวลาเดียวกันพวกสังคมก็เป็นสังคมของมนุษย์นี่แหละที่ส่วนหนึ่งมันก็ยุ่งกันอยู่มันก็ฆ่ากันไปมันก็แย่งกันไปใช่ไห แม้แต่กษัตริย์อาชาติศัตรูก็ยังขา่าเพ่อถูกไหมฮ ะ, ะมันก็ยังมีเรื่องเบียดเบียนแล้วก็ทางมาคตกับยกทัพไปตีวัชฉีเนี่ยลุกลามกันอะไรต่างๆพระเจ้าจันทประ ช, ชดพระเจ้าอุเทนเลย ว, ว่ากันวุ่นไปหมดใช่ไหมนี่ก็เรื่องของสังคมมนุษย์เนี่ยมันจะเอาดีอุดมคติให้มันดีทุกคนคงไม่ไหวมันอยู่ที่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องสุขต้องพัฒนาหลักการนี้ใช้ได้ตลอดเวลาใช่ไหม ในเวลาหนึ่งหนึ่งนั้นมนุษย์ทุกคนจะไม่มีหลอกที่พัฒนาอยู่ในระดับเดียวกันหมดถูกไหม น, นั้นมันก็จะอยู่ในระดับต่างกันแห่งการพัฒนาคือที่ผมนึกคิดไ<ม>เพราะว่าผมเปียบเทียบว่าสมัยนั้นพระองค์สมมาสามพุทธเจ้ า, าที่มีมพระชนชีพอยู่ก็ทำให้สังคารมีความเข้มแข็งมากแต่ปัจจุบันเนี่ยสังคารที่จะเป็นตัวแทนหรือจะเป็นตัวที่สามารถเผยแผ่ธรรมอันนี้ก็สัง อ, อันนี้กเรียกว่าสังคมขาดการยานามิตร เพราะว่ตัวการัญญามิตรมันไม่มีคุณสมบัติหรือว่ามันไม่สามารถหรือพูดอีกไงอยาอีกไนนึ่งก็คือสังคมไม่สามารถพัฒนากนารัญญามิตรขึ้นมาให้มีก็เอานะมันก็เป็นปัญหาของมนุษย์แต่ว่าทําไงเราจะช่วยเท่าที่ทําได้ถ้าเราจับหลักให้ได้ก็มาปฏิบัติดําเนินตามแนวทางที่จะสร้างสรรค์ สู่มัชฌิมาปฏิปทาให้เป็นไปพระจุดหมายที่ดีงามก็ยุติในภาคเช้าว้เท่านนิก่อน